มาตุสูตรว่าด้วยมารดาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายเป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุแห่งมารดา ท่านผู้นี้ก็ไม่จงใจพูดเท็จต่อมาเราเห็นเขาถูกลาบสักระและความสันเสริญครอบงำย่ำยีจิตแล้วก็พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณเผ็ด ร, ร้อนหยาบคายเป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจากละลาบสักระและความสันเสริญที่เกิดขึ้นลาบสักระและความสันเสริญที่เกิดขึ้นแล้วก็จะไม่ครอบงำจิตของเราทั้งหลายตั้งอยู่เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้มาตุสูที่เจ็ดจบ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 เรากาหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุแห่งบิดาละถึงสูตรที่8จบ 9. แม้เพราะเหตุแห่งพี่ชายน้องชายสูตรที่เก้าจบ 10. แม้เพราะเหตุแห่งพี่สาวน้องสาวสูตรที่ส0บจบ 11. อแม้เพราะเหตุแห่งบุตรสูตรที่สิอจบ 12. แม้เพราะเหตุแห่งที่ดาสูตรที่ 12. จบ 13. เรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุแห่งประชาปดีรท่านผู้นี้ก็ไม่จงใจพูดเท็จต่อมาเราเห็นเขาถูกลาบสักระและความสันเสริญครอบงำย่ายีจิตแล้วก็พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ภิกษุทั้งหลาย ลาบสักระและความสรนเสริญเป็นสิ่งทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายเป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากละลาบสักระและความสรนเสริญที่เกิดขึ้นลาบสักระและความสรนเสริญที่เกิดขึ้นแล้วจากไม่ครอบงำจิตของเราทั้งหลายตั้งอยู่ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ประชาปฏิสูตรที่13จบจะตุทวักจบรวมพระสูตรที่มินิวักนี้คือ 1. พินที่สูตร สกุชลมูลสูตร 3. กุชลธรรมสูตร 4. ส, สุกธรรมสูตร 5. อจิระปักกันตสูตร 6. ปัญจารฐาศตะสูตร 7. มาตุสูตร 8. ปดปิตุสูตร 9. ก้าตุสูตร 10. ภคินิสูตรสิอ็ ปุตตะสูตรสิบสองที่ตุสูตรสิบสามประชาปติสูตรลาภสักการะสังยุตจบบริบูรณ์เจ็ดราหุละสังยุต 1. ปฐมวัคมวดที่หนึ่งหนึ่งจากขุสูตรว่าด้วยจากสุขข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเคกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระราหุลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควร เรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดราหุลเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรจากขุตาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั no hand, ้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะโซตะหูเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ ขานะจะหมูกเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ย <d or incorrectly> งพระพุทธเจ้าค <d or ass Twenty> ่ะชิวหาลิ้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะมโนใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุนอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหนายแม้ในจักขุและถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะ ย่อมเบื่อนายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อนายแม้ในกายย่อมเบื่อนายแม้ในมโนเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรมจันแล้วทากิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป พึงย่อพระสูตรทั้งสิบเช่นนี้จากขุสูตรที่หนึ่งจบสองรูปรสูตรว่าด้วยรูปพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคโครงสาววัตถีราหุล เธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าและถึงเสียงกลิ่นรสโพธพะพธรรมรมเทียงหรือไม่เทียงไม่เทียงพระพุทธเจ้าค่าราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในรูปย่อมเบื่อนายแม้ในเสียงย่อมเบื่อนายแม้ในกลิ่น ย่อมเบื่อนายแม้ในรถย่อมเบื่อนายแม้ในโพธพพะย่อมเบื่อนายแม้ในธรรมารมเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดละถึงรู้ชัดว่ารูปสูตรที่สองจบ 3. วิญญาณสูตรว่าด้วยวิญญาณพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีราหุลเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจากขุวิญญาณความรู้อารมณ์ทางตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าละเถงโสตวิญญาณความรู้อารมณ์ทางหูคานวิญญาณความรู้อารมณ์ทางจมูก ชิวหาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางลิ้นกายวิญญาณความรู้อารมณ์ทางกายมโนวิญญาณความรู้อารมณ์ทางใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะราหุนอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายแม้ในจักขวิญญาณและถึงย่อมเบื่อน่ายแม้ในโสตะวิญญาณ ย่อมเบื่อหนายแม้ในคานะวิญญาณย่อมเบื่อนายแม้ในชิวหาวิญญาณย่อมเบื่อหนายแม้ในกายวิญญาณย่อมเบื่อหนายแม้ในมโนวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดและถึงรู้ชัดว่าวิญญาณสูตรที่สามจบ สัมผัสสูตรว่าด้วยสัมผัสพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีราหุลเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจากขุสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะละถึงโซตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจักขุสัมผัสละถึงย่อมเบื่อนายแม้ในโสตสัมผัสย่อมเบื่อนายแม้ในคานะสัมผัสย่อมเบื่อน่ายแม้ในชิวหาสัมผัสย่อมเบื่อน่ายแม้ในกายะสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนโสัมผัสเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัด และถึงรู้ชัดว่าสัมผัสสูตรที่สจบ 5. เวทนาสูตรว่าด้วยเวทนาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถี ราหุลเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจะคุ้สัมผัสชาวเวทนาเวทนาเกิดแต่จะคุ้สัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าละถึงโสตสัมผัสชาวเวทนาเวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสคานะสัมผั ส, าา ส, ผสชาวเวทนาเวทนาที่เกิดแต่คานะสัมผัสชิวหาสัมผัสชาวเวทนา เวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสกายสัมผัสสชาวเวทนาเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสมโนสัมผัสสชาวเวทนาเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าราหุนอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจกักขุสัมผัสสชาวเวทนาละถึง ย่อมเบื่อนายแม้ในโสตสัมผัสชาเวทนาย่อมเบื่อนายแม้ในคานะสัมผัสชาเวทนาย่อมเบื่อนายแม้ในชิวหาสัมผัสชาเวทนาย่อมเบื่อนายแม้ในกายสัมผัสชาเวทนาย่อมเบื่อนายแม้ในมโนสัมผัสชาเวทนาและถึงรู้ชัดว่าเวทนาสูตรที่ห้าจบ สัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคกรุรงสาวัตถีราหุลเธอจะเข้าใจความข้อ น, นั้นว่าอย่างไรรูปประสัญญาความหมายรู้รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าละถึงสัทธสัญญาความหมายรู้เสียงคันธสัญญาความหมายรู้กลิ่นรสสัญญาความหมายรูร้รส โพธภาสัญญาความหมายรู้โพธพะธรรมะสัญญาความหมายรู้อารมณ์ทางใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าราหุลอริยสาวกผู้ได้สดเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในรูปสัญญาและถึงย่อมเบื่อนายแม้ในสัทธะสัญญาย่อมเบื่อนายแมในคันทะสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในระัศ ส, ะสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโพธภาษัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมสัญญาและถึงรู้ชัดว่าสัญญาสูตรที่หกจบ สัญญเจตนาสูตรว่าด้วยสัญญเจตนาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคกระรวงสาวัตถีราหุลเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปสัญญเจตนาความจํานงรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะและถึงสัตสัญญเจตนาความจํานงเสียง ขันธสัญญเจตนาความจำนงกลิ่นรสสัญญเจตนาความจำนงรสโผฏฐพสัญญเจตนาความจำนงโผฏฐะธรรมสัญญเจตนาความจำนงธัมมารมเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าราหุลอริยสาวกผู้ไดับดเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในรูปสัญญเจตนาและถึง ย่อมเบื่อนายแม้ในสัทธสัญญเจตนาย่อมเบื่อนายแม้ในคันธสัญญเจตนาย่อมเบื่อนายแม้ในรสสัญญเจตนาย่อมเบื่อนายแม้ในโพธภสัญญเจตนาย่อมเบื่อนายแม้ในธรรมสัญญเจตนาละถึงรู้ชัดว่าสัญญเจตนาสูตรที่เจ็ดจบ สูตรว่าด้วยตันหาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวถีราหุนเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปตันหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าละถึงสัทธตันหาคันธตันหาระสะตันหาโพธพะตันหาธรรมตันหาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่ที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายแม้ในรูปปัญหาและถึงย่อมเบื่อน่ายแม้ในสัทธตัญหาย่อมเบื่อน่ายแม้ในคันทะตัญหาย่อมเบื่อน่ายแม้ในรสะตัญหาย่อมเบื่อน่ายแม้ในโพธะตัญหาย่อมเบื่อนายแม้ในธรรมะัหาละถึง รู้ชัดว่าตัณหาสูตรที่แปดจบ 9. าทาตุสูตรว่าด้วยทาาพระผู้มีพระภาคปร ะ, ะ, ระทับอยู่เคกรุมสาววัตถีราหุล เธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรปัทวีธาติยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าละถึงอาโปธาติโชธาติวาโยธาติอากาศธาติวิญญาณธาติเทียงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบือนานายแม้ในปัทวีธาตละถึง ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในอาโปธาตย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเตโชธาตย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวายโยธาตย่อมเบื่อหน่ายแม้ในอากาศธาตย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณธาตและถึงรู้ชัดว่าท่าตุสูตที่เก้าจบ ขันทสูตรว่าด้วยขันพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคกรุงสาวัตถีราหุลเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าและถึงเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้า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 ละถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพน้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิน้นแล้วอยู่โจรพรหมจรรย์แล้วทำกิจ ท, ที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปขันธสูตรที่10บจบปฐมวักจบรวมพระสูตรที่มินิวักนี้คือ 1. จากขุสูตร สองรูปสูตรสามวิญญาณสูตรสี่สัมผัสสูตรห้าเวทนาสูตรหกสัญญาสูตรเจ็ดสัญญาเจตนาสูตรแปดตันหาสูตรเก้าท่าตุสูตรสิบขันธสูตร 2. ทุติยวัคหมวดที่สองหนึ่งจักขุสูตรว่าด้วยจักสุข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระราหุลได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ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 ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่โจพระมจาจารแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพึงย่อมพระสูตรทั้งสิบเช่นนี้ จากขุสูตรที่หนึ่งจบสองถึงสิบรูปปาที่สุดตะนวกะว่าด้วยพระสูตรเก้าสูตรมีรูปสูตรเป็นต้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคครุงสาวัตถีราหุลเธอจะเข้าใจความข้อ น, นั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าและถึงเสียงกลิ่นรสโพธพะธรรมรมสูตรที่สองจบจกขุวิญ ญ, ญาณละถึงโสตะวิญญาณคาณวิญญาณชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณมโนวิญญาณสูตรที่สจบจักขูสัมผัสละถึงโสตสัมผัสคานาสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสสูตรที่สจบจักขูสัมผัสชาวเวทนาละถึงโสตสัมผัสชาวเวทนาคานาสัมผัสชาวเวทนา ชิวหาสัมผัสชาเวทนากายสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนาสูตรที่หจบรูปสัญญาละถึงสัทธสัญญาคันธสัญญารสสสัญญาโพธภะสัญญาธรรมสัญญาสูตรที่หจบรูปสัญญาเจตนาความจำนงรูปละถึง สัทธสัญญเจตนาความจำนงเสียงคันทสัญญเจตนาความจำนงกลิ่นรสสัญญเจตนาความจำนงรสโผฏฐพสัญญเจตนาความจำนงโผฏฐะธรรมสัญญเจตนาความจำนงธรรมารมสูตรที่7จบรูปปัญหาละถึงสัทธตัญหาคันธตัญหารสตัปัญหา โปภะตันหาธรรมตันหาสูตรที่8จบปัทวีธาตละถึงอาโปธาตเตโชธาตวายโยธาตอากาศธาตวิญญาณธาตสูตรที่9จบราหุลรูปละถึงเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าและถึงราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าและถึงไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปขันทสูตรที่สิบจบ อนุสยะสูตรว่าด้วยอนุสัยพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตครุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระราหุลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไร อาหังการมามังการและมานานุใสจึงไม่มีในกายที่มีวิญญาณครองนี้และในสัพพนิมิตภายนอกราหุนรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้รูปทั้งหมดนั้น อริยสาวกเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งและถึงสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึง่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้วิญญาณทั้งหมดนั้นอริยสาวกเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราราหุลเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้อาหารการมามังกา ร, มามาการและมานานุสัยจึงไม่มีในกายที่มีวิญญาณครองนี้และในสัพนิมิตภายนอก อนุสยาสูตรที่สิบเอ็ดจบ